แย่กันแล้วก็นั่งมา้านั่งตัวเดียวกันอะไรนั่โดอะยนะนี่ยงังลำบากเลยนะแหละอืมสมมติจะมีผู้ชายก็นั่งข้ามกับเรก็ไม่ได้ครับมันจะมีผู้ชายมากันทัสองลูกสารูกแล้วอย่างว่าไปต่างประไท้เอามือไทยอะไะนะครับมือไงยนี้เนละแล้วที้ต่างจังหวัด น, นี่ยนะก็ลำบากแล้วนะครับอนอกจากวบางที่นายโยมถ้าโยมเขาเข้าใจนะก็จะไล่ผู้ชายมันั่งฝั่งพ้านะครับ ถ้าโยงยังในคนขับรถนะเขาเอื้อเฟื้อเขาเขาา้าใส่ใจพลาดดีเขาจะทําอย่างเงี้ย น, นะครับแต่แม่งงั้นเขาก็แม่นั่ น, นครับเขาบ่ายหนั่งรวมไปหมดแหละใครเจอที่เชียงใหม่ทีเนี่ยโอ้ไม่นักงขนาว่าโยงผู้หญิงขึ้นมานั่งเบียดเนยอะไรนะเนยนั่งท้ายนะย่ะโยงผู้หญิงก็ขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือไปวางบนตักเนยขนาดนั่งเบียดเลยนะครับไม่ไอายอะไรเงี้ยนะ ผูห้หญิงจริงจริงนะอ๋แต่แลดูเขาไม่มีศรัทธานะเขาจงใจที่จะทำอย่างนั้นแลดูคนทื่อๆไม่มีศรัทธาไม่มีอะไรบางทีเขาอาจจะแกล้งก็ได้นะแกล้งผานในหนามเยอะ ได้ได้มันต้องวิธีใช้ออขอชอปเฟอร์นั่งนั่งข้างหน้าวิีพากัไปด้วยกันหลายรูปูใช่ไหมโอ๊ยําบากจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> วิธีเรี่ยงก็คื อ, อยังไงล่ะก็ขยโดนแล้วพ่อนโดนทำ บ, บัแล้วขยโดนะพ่อมีรถสองแถวแต่ว่าเขาจะมีรถให้เรืกว่านั่งรถเมย์ก็ได้บางทีจะมีนั่งรถสองแถวนั่งรถเมย์นะครับล้วก็เลือกรถเมย์ก็แลั ใช่ใช่คนอันคนอัานนั้นก็การอานบัตได้นะนแล้วคนนยังได้รว้โหรตามโรคเนี่ยตามรถเมย์เี่ยค่ะยังไมพโยมเห็นที่พม่าใรูที่ม่าพรักรรรดิจรพรบดิก่รูดตะกแล้วพระก็เห้ยรถเมแล้วก็เห็นหน้าบนหลังคารถเมยเนี่ยเราไม่ค่อยน่าดูนะแต่ก็ยังมีอาบัตรนะยังไม่เจออานทัวที่มาทิ้งห้อยแล้วยังเป็นอ่านบัตร้ีนะ อันช่ใชต้องต้ ง, ตงไม่ขนองไม้ขนองมือ น, นะต้องสำรวนดีแปลแล้ะแหวกบ้านไ อ, อ้ น, นีาจําเป็นต้องโหดไม่เพราะเรื่อมันเต็ม อ, <laughs> อันนั้นมันเนี่ยข้าที่จําเป็นนะถ้ามันรู้จะทํายังไงถ้านั่งสำวจท่านควรจะเข้าไปนั่งข้างในนะแต่นี้มันเต็มแต่พมา่าลาบากมากใช่ไหมเรานี่คุ้มค่าเนาะ <laughs> ค, คุนะ้มค่านะเอาแต่ลาบากอะไรเขาบอกว่าอะไรอยที่ไม่ได้ค่พม่า โราความจริงหนุบพราน่า so มีอ okay. ิทธิพลมากนะครับแล้วพระบอกว่าห้ามเก็บตังในชูเพราะ่าเก็บตังไม่ได้นะเก็บไม่ได้เลยมันมีเรื่องเลยนะเขาสามารถจับโชเฟอร์มาซ้อมได้เลยถ้าไทยก็ไปอยู่พ้ามากโอเคเห็นนะเขาจับโชเฟอร์มามาซ้อมได้เลยนหละครัะนี่ไหนเพราะว่าชาวบ้านจะกลัวกลัวพรานะครับวันนี้เขาจะกลัวรัฐบาลมากที่สุดนะ แต่เขาก็จะให้ผ้าแล้วสู้ไม่ใหผ้านี่กล้ามลำบากนะครับกลับมาต่อนะครับที่มาทีมากิเหล้าเมาัว้มดแล้วาก็เลยจับผ้าสึดีวเพืว่าอ่ะแล้วท่านก็ไม่ถึงกับบาที่ต้องบาปาชีพ ก็มีโทษอยู ula, ่นะเพราะว่าท่านยังไม่ต้องประราชชิตใช่ไหมถ้านก็เป็นอะไรนะครับกินเล้าอาบัตก็ยังไม่ถึงที่สุดประราชชิตนะครับท่ยังเป็นนาบาณเบาอยู่นะแต่เป็นกิริยาที่แบบน่าเกลียดไงชาวบ้านเขารันไม่ไดเขาก็เลยจับสึกเมืองไทยไปไหนอี้ยนะกินเหล้าจับสึกอะไรไม่ได้ฮะมัยังมีโทษนะมีโทษนะเะว่าท่านยังไม่มีประราชชิตเน่ะมันต้องลงโทษมันตามกรณีอ่นะ้นี่นหะ แต่ว่าถ้าเป็นที่มันเป็นกฎหมายบ้างมือหรือเปล่านะบางอย่างหลายอย่างนะเขาจะจับผ้าศึกเลยมันมีขนาดวาาแคบผ้าไปเดินห้าเนี่ยแล้วจับผ้าศึกที่กรุงเทพมั้โอ้ยผ้านร้องผมร้องห้าในร่าไม่ได้นะอันนั้นทําเกินไปจริงนะอย่างน้อยก็อะไรปัญหาท่านพาปัญหาคูบาลจาร์ที่มานเจ้าคณะอะไรก็ว่าไปไอหัวลงสังสอนนี้น่ะน่าจับสึกแล้วน่าหนักไปนะนี่ไง เ, ออ เ, เราก็ไม่รู้ท่านจะได้กรรอะไรบ้างนะไม่รู้นะเดี๋ยวคว่าเป็นโทษมันที่ใครมีเรื่องเทียบเคียงเรื่องจากสุภาษาที่ใคยฟังนั้นอาจารย์นํามบุญเขาเลฟังอยู่ไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ยวยังผู้ชายน ะ, ะเขาจําสึกแน่ผู้หญิงเด็กหญิงสาวในรุ่นนี้ น, นะชอบแน่มากเลยก็อยากจะให้ศึกนะแ น, น่นก็ไม่ยอมศึกทันทีนะ ก็เลยไปชุดเนี่ยชุดผ้าจีวรเดึงไปเลยนะเอาไปเอาไปเป็นสามีไป็ไมเนยยอเาอ่ะไม่รู้เหนก่ยก็มีกองน้ำเยอะกว่าไม่รู้เหมือนกผู้หญิงเขาคงจะตื้อมากนะอย่างงี้ยเงียเขาในก็ยังไม่ได้เป็นผ้าหันผ้าที่ยากใช่ไหมเนก็เลยสะบัดแต่หน้าเขามาตื้อมากนเหินคนนี้ แต่ผลกรรมก็ท่านไปกับเป็นเปรตเนี่นะท่านไปเกิดเป็นเปรตเลยนะข้อตอนแรกนี่อยเขาก็อยู่สนามีศรัทธาอะไรได้ใช่ไหมก็ไปทํา ไ, ไนะาม่ก็ต้องสึกไปพลาประโยชน์ไปตายไปเกิดอเปรตเลย <c oughs> คือมันไม่ได้ยามแบบผู้หญิงคนนี้นะอันนี้เขาดึชาญจีวนไปเลย อันนั้นบอกไม่ได้นะแต่ที่ว่าที่เจอเนะ่ยคือยากจะมาจับพระไปนะเจอในภาพวินัยนะมีั้่ว่าผู้จองจะมาจับพระไปก็มีพู้ญาติจะมาจับพรงไปก็มีบางทีเนี่ยก็มีนะถ้าจําสึกอะไรเนะี่ยก็มีโทษนะแต่ถ้าว่าพูดเฉยๆนิดนึงนะมันก็เป็นอักขิรสว่า่ามีโทษนั่นแหละ